ดูก่อนพิสษุน์ทั้งหลายอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำหนองเลือดแม้มีประมาณน้อยก็มีกลิ่นเหมอนฉันใดเรายอมไม่สรรเสริญพกคือความวนเวียนเป็นนั่นเป็นนี่แม้มีประมาณน้อยโดยที่สุดแม้เพียงลักนนิ้วมือเดียวฉันนั้น